สามสาสหัตวัตถุว่าด้วยบุรุษผู้ถูกเคี่ยนด้วยไหวบรรพชาข้อเกสมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาเคียนด้วยไหวได้บรรพชาในหมู่ภิกษุมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพระสมณเชื่อสายพระสกเยบุตรทั้งหลายจึงให้บุรุษผู้ถูกลงอาญาเคียนด้วยไหวบรรพชาเล่า